อากาศเราดูนาวห น, นึ่งน้วนาเย็นสบายดีนั่นทุกคนท่านากันตั้งใจความตั้งใจจดจ่อรักษาใจรักษาใจหรือรักษาจิตรักษาจิตนั้นเรียกว่ารักษาสติดึงใจคือความรู้สึกครั้งแรกเรียกว่าาความรู้สึกของเรามาประคองเข้ามาภาษา สะอาครธรรมะ น, น้อมเข้ามาโอปนัยโกไปวันน้อมเข้ามาคือปความความรู้สึกเข้ามาจุดจอ่อที่ตั้งที่ตั้งจิตของเราต้องมีโซ่เนื้อเป็นที่หมายแล้วดึงเข้ามาแล้วหาเมันหักมีจิตที่ตั้งมาที่หมายเองถ้าจับจุดอย่างนั้นไม่ได้ก็ให้ใช้กั้นลมดังที่เคยแนะ การลมไวแดงแดงอย่าเพหายใจการไวแดงแดงเลยอะดึงความรู้สึกเข้ามาแนบแลูกความรู้สึกไปเจ็บจอดจอต่อตอนนั้นเราก็จําจุดนั้นทีนี่เราจะตั้งมาไดก็ดึงความรู้สึกเราจะตั้งตรงจุดนั้นพับจุดนั้นต้องรักษาไว้เสมออันนี้เป็นเวลาถ้าเราสําหรับที่จะตั้งจิตเพื่อหายใจ ลงสู่ความสงบโดยเฉพาะใงเวลาทั่วไปท่านมันมีเหตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มากระทบใจของเราเขา้าแล้วทามาทางตาเขาตามทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนะเป็นเหตุให้ใจของเราไมา่สบายก็ให้ประคองใจของเราก็สูญถูด้นทับสักยีจะไปปล่อยไป ถ้าปล่อยไปออกนากออกไปนอกแะางมันยิ่งยุ่งใหญ่เป็นเหตุให้ใจหงุดหงิดในใจหงุดหงิดแล้วก็มันก็แสดงออกมาทางตาก็าแสดงออกมาทางวาจาแสดงมาทางกายเป็นการแสดงความไม่สุภาพออกมาเป็นเหตุให้คนชานอกเขารู้วคนนี้เป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี่หงุดหงิด สิ่งเหล่านั้นเหมือนเป็นเครื่องจูงใจให้เราเกิดความเห็นผิดมาอกอกมอไวตัวใหญ่ๆเกเลตตัวใหญ่ๆที่มีเรียกว่าโลภะโส า, าโมห์ตัวนั้นเป็นตัวต้นเขาตัวใหญ่อ่อแมกเกเรตเอร์ตัวนั้นตัวโลภะ แต่ว่าความอยากก็ได้ความต้องการความปานะ่าทะน้าย่อยลงไปตัวเราโลภะก็เป็นตัวตัณหาความทะเยอทะาอยาดิ้นรนสามอน เ, อเนนี้เพื่อนใช้กับคัรหัดเยเเื่อเรือนพวกไปแต่สําหรับใช้ใช้สําหรับพิสุขใช้กับบัณกิตใช้กับมาราร า, าคะนาคะแปลว่าความกําลังความยิน ด, ดีในกลามอารมณ์ เป็นพี่น้องของโลภะนะั่นแหะแต่มาอยู่ในกองมันมี่ไฟฤาษีโลภะถ้าอยากได้เนี่ยเจาะจงที่เีวปฏะว่าอยากได้ในทางที่มันผิดธรรมผิดธรรมผิดคำสอนของบุทีเจ้าถ้าอยากได้นางในทางที่ถูกต้องไม่จัดว่าเป็นโลภะ คนหนอต้องีความอยากได้แนละ้วมันก็เป็นคู่กันกับขานทะความยินดีความพอใจแตามันเกิดความยินความพอดีพอใจเนย น, นะมันเป็นเครื่องหนุนเครื่องหนุนให้คนทำคนพูดในทางที่ผิดว่าในทา ง, งที่ถูกต้องท่านตั้งเอา เอาอินสีห้าประการนะเป็นแม่บทอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญาศรัทธาแปล ว, ว่าความเชื่อรวมย่อเชื่อในทางที่ถูกต้องเราก็ใช้กับว่าเชื่อประกอบด้วยปัญญาถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟัง ได้รู้ได้เห็นกันมาแล้วจะเชื่อสิ่งเดิงสิ่งใดลงไปถ้าต้องรับผิดชอบสว่าถูกต้องนะไม่ผิดนะจึงจะเชื่อถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปอย่างนั้นเขาว่าแล้วก็เชื่อไปเลยอย่างนี้ชาวโลกขเขาเขาบอเป็นคนหูเบาคนหูเบาใจเบาเขาว่าอย่างนั้นก็เชื่อไปเล ย, ยางานศรัทธากับปัญญาต้องโคกัน อันนี้เมื่อศรานนะเกิดึ้นความเชื่อหนียวแน่ว่าทางที่ถูกนี่เป็นแม่บุตรต้นใหญ่เขาวนลักษณะมันมีลักษณะที่ให้เชื่ออีกนี่ลักษณะที่จะให้เชื่อนะต้องเชื่อกรรมอันที่หนึ่งให้เชื่อกรรมอันที่สองให้เชื่อผลของกรรมอันที่สามให้เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเอง อันที่สี่ให้เชื่อความตัดสินของผู้ที่เจาะต้องสี่สิ่งต้องเชื่อสี่อย่างนี้ถ้าเชื่อไว้นอกจากนั้นผิดทางนี่คือลักษณะหรือวัตถุที่จะเชื่อที่เราเชื่อกำนั้นกรำแปละวะ่าแปลตามภาษาแปละว่าการกระทําการกระทําทางกายการพูดทางวาจา แล้วก็คิดทางใจใช้สัพพะวากายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมทําทางไหนก็เรียกทางนั้นถึงเรเอาส่วนรวมมาเชื่อเชื่อว่าคนจะดีคนจะเร็วคนจะได้อะไรที่ดีที่งามทุกอย่างต้องเชื่อหลักกรรมต้องเกิดจากกรรมดีที่เราสร้างที่เราทํา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดเองมีเองบางศาสนาบางศาสนาที่เขาถือว่าอ่อนวนพระเจ้านะสิ่งต่างๆนะจะบันดาลให้เป็นพุทธาหศาสนาเนะเกิดขึ้นมาท่ามกลางของศาสน า, าพรามณ์ศาสน า, าพรามณ์มันเชื่อพระพมถือว่าพระพมเป็นใหญ่ พระผมเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์ทุกประเภทพระผมะสร้างสร้างขึ้นไอ้เนมนุษย์นะส่วนสถานที่หมู่บ้านหมู่เมืองหมู่อย่งต่างๆพระน์ผมพระผมบรรดาลบรรดาลให้เป็นไปแล้วก็เรื่องการเกิดของมนุษย์เนี่ยหลักของพระผมดูจะดูจะมีหลักความเนหน้าเชื่อบ้าง กว่าศาสนาอื่นกว่าคิดกว่าอิสลามหรือเราก็คนนึกเกิดมาจากผมหมนยถึงมนุษย์คนแรกที่จะปรากฏขึ้นนะเป็นมาจากผมแล้วเขาก็สแสดงกับวินาศถือโลกนะวิเกิดวิเกิดวินาศโลกเกิดวินาศเป็นยังไง อาทิตย์จะเกิดขึ้นมาดวงที่หนึ่งก็ลอนพอประมาณที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยว่าอาทิตย์ที่หนึ่งอันที่สองอาทิตย์ดวงที่สองเกิดนัว่อเผาขึ้นอีกดวงที่สามเกิดที่หนึ่งถึงที่สี่ถึงที่ห้าถึงที่หกที่ที่เจ็ดเผาโลกที่หมดเลยแป็นดินต้นไม้ภูเขาไม่เหลือ น้ำในมหาสมุทรก็แห้งหมดแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะจะอยู่ได้ยังไงอ่ะตายหมดวอดวายหมดเลยนลั่นแหลวกับพิน่าของโลกผมเป็นกับเพรนานมนุษย์ทั้งหลายก็ตายหมดแผ่นดินต่นไห้ภูเขาภูเขาทิ้งหมดไฟไหม้หมดแสงฟาดิบันกลาด้วยน้ำในมหาสมุทรแห้งขอดหมดเลย ไม่มีน้ำอยู่แล้วแต่เมื่อมนเผาหมดแล้วทีเนี้ยฝนตกฝนตกมาเจ็ดวันเจ็ดคืนตรงนั้นเลยก็ไม่จะน้ําพวมทั่วโลกเลยเป็นน้าหมดตกมาเป็นน้ําแล้วก็มันก็เป็นเมฆก็มีฟองน้ําอยู่ข้างบน็ฟองน้ําฟองน้ำนั่นแหละมันกลายเป็นดินก็ถือว่าฟองน้ําที่มันใหญ่มันสูงก็ก็เป็นภูเขาเป็นอย่างต่างๆนะถืออย่างนั้นเป็นภูเขาที่ราบที่ลุ่มฟองน้ําที่มันมันต่ําก็เป็นพื้นดินที่เรียบ ออกผลทกเจ็ดวันเสร็จสับแล้วก็ฟองน้ำเลยเปิดพากันไปเป็นดินเกิดเป็นพื้นเผ่นดินตันดต่อกันยังไม่มีหมู่สัตว์ที่มาเกิดค่านนี้เองหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งมนุษย์สเดชาตลอดถึงนรกอวิเศจีไฟไหม้หมดเลยไม่มีเหลือยังจะสวรรค์ยังจะชั้นผมชั้นผมเท่านั้น น, นไฟใหม่ๆชั้นผอมก็นับแต่ชั้นผมที่หนึ่งก็ไปผอมที่ได้ มันเป็นสิบหกชั้นผมก็ได้ไปจากพวกบำเพญญ็ญฌานฌานที่หนึ่งปฐมฌานบางคนก็ได้ปฐมฌานของไปเกิดเป็นชั้นผมที่สองที่สามที่สี่เป็นชั้นผมทั้งนั้นอ่ะควายควายไม่ไม่ถึงควายไม่ไม่หมดไม่ไม่ถึงว่างั้นหกพมวนั้นอ่ะทีนีน้แผ่นดิน มพมอนตกมาแล้วกับมันเป็นแผ่นดินแผ่นดินน่นนก็จะมีมวนดินทนยอยู่บนพื้นดินมีกลิ่นหอมพุ่งไปถึงถึงชั้นผมชั้นผมก็เลยกลิ่นผมชั้นตน่ำาลนะเม่ะความมันหาะลงมามาบนพืน้นเธื้อดิ น, ดน พระผมนั่นมีแสงสว่างในตัวแสงสว่างจ้ามากเหมือนกับแสงแห่งคอยมันมีแสงตัวแต่ว่าแสงพระผมคงจะสว่างมากกว่า น, นั้นลงมากับพะกันเอามือไปแจะที่งวนดินชิมดูชิมดูงวลดินพระมันมีรสหอมไหมชิมก็มีรสอร่อยทีนะงวนดิน พอชิมเข้าไปแสงสว่างในตัวน่ะดับปุ๊บไปหมอเลยเพกามนะ่ะก็มางมดูดาพื้นดินน่ะง ม, มไปง ม, มมาง ม, มไปงม ม, มมาเพความเห็นต่อมาทึไงไหแสงพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาทั้งแรกมันมืดหมุดมันไม่เห็นอะไระแสงพระอาทิตย์ปรากฏวาบขึ้นมานพวกผมทั้งหลายเหล่านั้นขนาดที่มัน มันเมื่ยเดือนมันกลัวกลัวเหลือเกินพอแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาพราะพวกนั้นแปลงดุดันสุริโยดังนั้นพระอาทิตย์นั่นเขาจึงเรียกว่าสุริยะาอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วอ่าต่อไปพราะอาทิตย์ก็ตกดินไป ก, ก็แนลน้วดับมืดอีกแล้วพวกนั้นก็กลัวอีกแล้วแต่คราวนี้มีพระจันทร์ปรากฏขึ้นมาวับ นี่แสงสว่างนวนขึ้นเลยนี่แสงแสงสว่างนวนพอเนื้อคนดีอกในใจพวกผมก็เป็นของทานมาเหมือนกันแต่ว่าชั่นนดูทัานนะแปลว่ายินดีพอใจเขาเรียกดวงพระจันทร์นั้นเรียกว่าจันทา อันในชาโรกเขาเรียกแ้เด็กเพี้ยนไปเพี้ยนไปก็กลายเป็นพระจันไปเนี่ยข้างแรกว่าฉันทะยินดีพอใจแต่มันก็กลายเป็นจันทะไปเป็นพระจันร์หมุนเวียนกันไปทีเนี้ย่ยพอ ก, กินไปกินมาเอาทีนึงงอนดินหายงับไปเลยทีเนี้ยไม่ได้ริมเรียงงอนดินแล้วพกกลมาแล้วก็ห่อไปไหนไม่ได้นะอยู่ในพื้นดินนั่นแหะ ไปไปชัน้นผมได้แล้วทานนีว่ามีมีข้าวสารีป่ากอดขึ้นมาเลยดิเนะีายเสร็จนี้เป็นต้นเป็นเป็นลูกขึ้นมาเลยแล้วข้าวสาลีนะั้นมันมีเปลือกเปลือกคุบเก็บมากกินได้เหมือนกับลูกแอปเปลิลแอปเปิ้ลมือนานานะกินได้เลยกินข้าวสารีพวกนั้นพอกินข้าวสารีเท่านั้นเราเกิดลาค้าอนะไรี่เนี่ย ม์ะนะต่างคนต่างก็มองดูกันทิ่งข้กพมผมจะเป็นผู้หญิงก็เพศเพศผู้หญิงก็ปรากฏผมผู้ชายกับเพศผู้ชายปรากฏทิ่งพอเห็นคนกันเข้ากัเกิดความก้านาไล่ปั้มกันเสพสมกันที่งพวกที่พวกที่สังเกตก็ไปคอนไล่ตีพวกที่มันชอบ สเสพกลางก็ไปปลูกกระตั๊บอยู่สำหรับที่จะไปเสพสมกันเฉพาะกินข้าวสาลีอา้าวกินต่อไปนี่เนี่ยข้าวสาลีกลายเป็นข้าวสาลีเม็ดเล็กเปเนเ็กเม็ดไม่เม็ดใหญ่แนละ้วเม็ดเล็กเคลื่นเป็นยำยำขึ้นมาเอง S 1> <S 1> ทีนั้นเขาจะกินตอนเช้าก็ไปเอามาจะกินตอนเช้าก็ไปมากินตอนเช้าถ้ากินกลางวันก็ไปกลางวันเอามากินกลางวันถ้ากินกลางคำ่ำตอนค่ำก็เอาตอนของคำ่ำต่อมาต่อมามนุษย์ทั้งหลายก็ขี้เกียจขึ้นมาทีนะเอาละมากินแค่ของเดียวเลยเอามากินทั้งตอนเช้าตอนเพลนแล้วก็ตอนค่ำแลยมั่วเลยทีนะ ข้าวสารีแล้วกายที่เป็นมาเลยแต่กายเป็นมีมีเปลือกของห่มดีเพราะความขี้เกียจของมนุษย์นะไปห่อห่มต้องต่ำกันเลยอั น, นี้มันมีน้อยทีนยผมมันไม่มากนะต้องแบ่งส่วนกันแบ่งส่วนก้อนอันนี้เป็นของคนนี้คนนี้แบบ น, นี้อ่าบางวนบางเราไม่เอาไปรักของคนอื่นเขา ที่ขโมยเกิดขึ้นแล้วเพราะสดท้ายเขาเลยตั้งหัวหน้าเป็นผู้ดูแลผู้ี่เป็นหัวหน้ารักษาที่นานเขาเลยนั่นนะคือสมมุติเป็นรัฐเป็นกษัตริย์ขึ้นมาอันนี้ว่าถึงการเกิดการมีการเป็นของพวกข่มที่ตั้งมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ว่างั้นจะเกิดเป็นเหมนือนว่ามนุษย์เกิด แต่ใ น, นพวกศาสนาภาหมณ์เพว่าเกิดมนุษย์เกิดม า, าอย่างไรนเกิดมาจากแขนผมเกิดมาจากผมหมูหมแล้วมันเป็นมนุษย์อีกถามคิดอิสลามเกิดมาอย่าง ก, กันก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปพระเจ้าสร้างโลกมาสร้างมนุษย์สร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเอาไปแต่ละคนละคน แต่พุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นโดยเดพมนุษย์มนุษย์และสารทั้งหลายเกิดมาจากหลักอวิชชาเกิดมาจากอวิชชานํามันด้ว่ากําวนดอกแผ่นดินต้นไหมเป็นเป็นอย่างนั้นยงนั้นไม่ไม่มได้ว่าพุทธเจ้าหรืว่าเฉพาะการเกิดของมนุษย์เกิดมาจากอวิชชาความไม่รู้ แล้วมาตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นที่มีรูปร่างคันสันฐานเป็นชายเป็นหญิงแล้วพอที่กำมาแก่ตายทึงนี้เป็นมานั้นมันแก่เจ็บตายจะมีก็มีความจะมีแก่มีตายนี่ก็เพราะมีรูปร่างกายีรูปร่างกายเป็นชายเป็นหญิง ที่จะมีรูปร่างกายสาวไปจะมีรูปร่างกายของชายของหญิงนี่มาจากไหนอ่ะมาจากใจใจที่มีภพโดยเฉพาะพนเจาะจงเอากรรมมาพบใจของคนมีกรรมมาพบหมายถึงมีบุญมีบาปสร้างบุญสร้างบาปนะเนะี่ยมันเป็นภพที่จะให้เกิดติดต่อ เกิดแล้วมาทำแ ล, ล้วผลมันก็เกิดเกิดเป็นมนุษย์เกิดมีรูปร่างกายขึ้นมาทบมาจากอุบทานสาวไปตามนี่คือสาวไปสาวมาสุดท้ายไปถึงตัววิชาโนทเพราะไม่รู้จักตัวเองรวมแล้วพุทธิเจ้ารวมมนุษย์ทั้งหลายนะาั้นมารวมสองอย่างนั้นแล้วมีกายกับใจ กายนี้ก็พอจะรู้พอจะเห็นพอจะจับรู้ว่าแล้วจะแต่ว่าใจมันไม่มีมตัวตนทีเดียวไมจับรู้ไม่ได้จึงเป็นเหตุทำเวนไหว้ตายเกิดอย่างนี้ในทางเกิดนีทางดับทางดับของมนุษย์หมายถึงว่ามนุษย์จะไม่ได้เกิดอีกต่อไปไม่เกิดต่อไปก็ดับอวิชชาตันหาประานเสียเลยดับตัววิชาตันหาปาะธาน ขาดเส้นเสรยแล้วที่ดับที่ไม่มาเกิดของเที่ยวเรียกว่านิพพานนั่นจึงแยกตัวตัวนะั้นมาสองคือคือกายกับใจกายก็คือรูปร่างกายีนขันห้าคือขาดดินทับน้ น, านทาหลดเข้าไปแล้วก็มีใจมีถาตรู้ดวงรู้ในนี้ดวงรู้ใน น, นี้ไม่มีตัวตวนไม่มีรูปว่างผันผันการ แต่เป็นสภาวะที่มีแต่ละคนละคนรู้ได้ด้วยตัวเองรู้จากใจตัวเองด้วยตัวเองคนอื่นรู้ไม่ได้เรามีสุขเรามีทุกข์เราแต่ละคนละคนสมหวานเรารู้สแต่พอเป็นเป็นสุขก็เรารู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้เรารู้สึกเป็นทุกข์ก็เราคนรู้คนเดียวเราอย่างได้นั่นอย่าก น, นั่นนี่เรเรารู้คนเดียว ก็คือใจมันเป็นผู้ปรารถนาเป็นต้องการแต่ในี่ใจนะั้นมันไม่มีตัวตวนเลยนะมันจะเอาอะไรไม่ได้ทนะีนี้เราตามความจริงมันไม่เอาอะไรมันต้องไปยินดียินยลทอนั้นแต่เอาอะไรได้ตัวมันก็ไม่มีแล้วจะไปเอาสิ่งอื่นนอกจากที่มันที่มันไม่มีตัวตวนเลนจะไปเอาได้อย่างไงเอาไม่ได้ ใจนั่นเขามีแต่เพียงว่าสภาวะที่รู้เอาตัวจริงๆร่งใจคืออะไรขึ้นดวงรู้แต่ว่าธาตุรู้ความรู้สึกรู้อยู่ในจุดรู้นี่ถ้าหลักภาวนาเนะ่ยอยากใจจุดรู้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ให้รู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกที่มันมีรู้อยู่ที่จุดรู้นั่นเรียกว่าใจ ทีนี้ถ้าใจเนี่ยใจมันเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ไปรับสุขไปเรียวกววิญญาณนเนี่ยไม่เรียวกว่าใจแต่เรียวกว่าวิญญาณใจไปรู้อารมณ์ไปรู้สุขรู้สุขรู้ทุกอย่างต่างๆนั่นเป็นวิญญาณทางนั้น มีรู้ภายในนะรู้ภายนอกอีกใจมันรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายซึ่งเราแต่ละคนเราคนรู้กันอยู่ก็เรียกวิญญาณอีกเหมือนกันแล้วพระติจาสอนให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงให้รู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรอันดับแรกรู้ใจนี่คือใจใจไม่มีตัวตัวนู้นยู่างแต่ว่ามีรู้ แล้วก็รู้ว่านั่นคือเวทน่ะ น, นั่นคือสันคือวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือใจใจน่หละใจรู้อารมณ์อารมณ์หมายทั้งสิ่งที่ใจไปรู้นะเป็นอารมณ์ใจไปรู้อะไรเอาภายในไปรู้สึกนรู้สึกว่าไปสุขครับ ไอ้สุกนั้นแนะเรียกว่าอารมณ์ไปรู้ว่าทุกข์มาสบายก็ทุกข์นั่นแนหะคือตัวอารมณ์ไปรู้จำได้ว่าอันนี้คือรูปคือเสียงคือกลิ่นรสผลพระจำได้อาการที่ไปจำอย่างนั้นนะเที่กว่าสัญญาก็วิญญาณอีกอะเป็นวิญญาณไม่ใช่ใจ นี่นก็ไปคิดไปปรุงไปแต่งวิจารวิจยัยอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้ประเดนนี้คิดนุกไปเลยก็เป็นวิญญาณอีกเรียกว่าจิตลงไปข้าหนึ่งทีนี้คำสอนพุทธิยาทีนี้คำสอนะอย่าถือเอาสิ่งนั้นอย่าถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราอย่าไปถือเอาวิญญาณว่าเป็นเราวิญญาณมันไม่ใช่เราของเราคือใจ ใจไปรู้อารมณ์จึงเรียกว่าวิญญาณให้รู้ทั้งสองอย่างนะนั่นเป็นินวิญญาณอันนี้คือใจนะคืดวงรู้สภาวะโลทิฏฐานโลเป็นใจถ้ารู้สึกก็เป็นสุขครับก็นั่นเป็นเวทนานะ่ะใจไปรู้สึกไปเสวยเป็นเวทนะ น, นาทั้งสังขารทั้งวิญญาณ ให้ใจรู้สิ่งภายในตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอท่านเรียกว่านั่นแหละคือวิปัสนารู้ตามความเป็นจริงรู้นี่ไม่ไปเอาสิ่งนั้นคือไม่ไปอยู่กับสิ่งนั้นคาว่าไปหรือเปล่าต้องมารู้ที่ใจมารู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่รู้ใช่ไหมนั้นมันก็มีอย่างนั้นจะไม่แห้ให้ใจรู้สุกรู้ทุกอย่างมันไม่ได้ แต่เพียงจ้ไปรู้ไม่ไปยืดถือเอาเห็นตัวใหญ่มันทีเนี้ยตัวคังใหญ่ตัวคือรูปร่างกายมันเป็นที่อยู่อาศัยของนามเือของวิญญาณของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ซ้ำลงไปอีก ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดดับเวทานาก็เอาว่าตัแต่วิญญาณไปวิญญาณก็เกิดดับวิญญาณเกิดดับยังไงดวงรู้นะมันคือใจนะใจมันรู้อยู่ที่รู้หรอกมันเป็นใจครานี้พอใจขยายพับไปรู้สึกอับขยายไปรู้สึกไม่อยู่ที่ ไม่อยู่ที่รู้อะไปรู้ที่สูงนู่นก็จะเรียกว่าเนื้อถือไปรู้อยู่ที่สูงแล้วก็จันสิ่งนั้นได้ด้วยเป็ น, ป น, ปนสัญญานะแล้วก็ไปคิดไปปรุ ง, ปงไปแต่งนะั้นไม่อยู่เถอะสิ่งนั้นนะั้นมันก็เกิดดับเกิดดับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแนละ้วมาที่อย่างก็คือรู้ใจนะั่นสิ่งนั้นนั้นจะเป็นไปยังไ น, นมันเป็นเรื่องของมนะัน่ะ อันนี้รูปภายในที่รูปภายนอกที่จะละถอนปล่อยวางสับกายทิฏฐิได้ชัดเจนนั้นคือใจนี้ต้องรู้รูปอันนี้ที่นารูปอันนี้เห็นตามความเป็นจริงรูปเป็นยางไงวิธีปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติเรียกวิวปัสสนากรรมฐานเราทำใจให้นิ่งให้หนิม ใ, ให้อยู่แล้วรู้ใจแล้ว แล้วก็เอาใจกําหนดรู้กายทีเนี่ยเอามากําหนดรู้กายใจเอาใจควบรู้กายกายทั้งหมดทีนี่คือกายหันงพ่อเคยเปลี่ยนให้ฟว่ า, วาเหมือนกำเราเอาขุ่มเอาเขาเอาเอ า, เอาสมวนไงมไก่ควบกายของเราเนี่ยเดึงความรู้สึกควบกายทั้งหมดทํารู้สึกวมันั่งก็รู้อยู่ในจุดนี้นะนี่ลูก้กายนี่กาย ให้ใจมารู้จุดตรงนี้พอรู้จุดตรงนี้ทีนี้ประคองให้รู้ปิดเน็มมันจะเกิดผลแล้วนะทีนี้พอกาหนดรู้กายภาพมันจะเกิดผลแล้วนะเปิดวนรู้สึกสบายไม่สบายแล้วเอาลนะ่ะให้กําหนดรู้อยู่อย่างนั้นพอกําหนดรู้ทั้งอะไรให้นึกถึงภาพของกายของรูปทั้งหมดนี้นูกถึงภาพของตัวเอง มันกำลังมองมองภาพคนอื่นมองเห็นภาพคนอื่นเพีงยงพยายามจะกำหนดถึงภาพตัวเองแต่อย่าไปเพ่งคำเพ่งแล้วใจมันไปตามแสที่เพ่งให้กำหนดรู้ว่าที่กายนี่นะทำความรู้สึกที่กายเนี่ยมอกำหนดรู้มากเข้ามากเข้ามาื่หมันก็จะประกากฏภาพให้เห็นเรียกว่าให้ใจเหตุกายมันปรากฏขึ้นมาเองอะ แล้วมันได้สร้างขึ้นว่าถ้าไปเพ่งแล้วมันเป็นการสร้างขึ้นนะมันละถอนบอก ว, ว่าไม่ได้อย่างนั้นนต้องคำสอนว่าวาดเกิดขึ้นเห็นกายทั้งหมดเองเรีย <c oughs> กว่าอการิีบางค น, นปรากฏเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นปรากฏว่าบเห็นผมพอเห็นผมขึ้นเราก็จับให้ใจของเราจดจอ่อที่ผมหนห่อยให้มันเคลื่อนเรื่อยนะทีนี้มัน มันปรากฏให้จิตเห็นนล้จับอันนั้นไว้เขาจับอันนั้นไว้ใจแขนก็มั่นเข้ามั่นเข้ามั่นเข้ามั่นนานเข้ากว่าวาบเห็นทางกายนี้เลยเห็นทั้งนอกทั้งในชัดเจนเหมือนเลยเรียกว่าอย่างนั้นเรียก ว, ว่าปฏิภาคกริมิตเหมือนดูมากเข้ามากเข้ามากก็ร่างกายนี่จะแตกละลายเลยแตกละลายเป็นน้ําเป็นดินเป็นอะไรไปไกลอุษาดดัก แต่ดับวับไปลเลยเือแต่ใจนี่ยนะกายดับไปแล้วเนี่ยแต่ใจทั้งใจแต่แท้แล้วดินะี่นอย่างที่หลวงปู่ม่านท่านี่กว่าทิฏูุตั ง, งแปลว่าจิตเดิมดวงรู้เดิมอันนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติที่ทำไปนะคราวนี้เมื่อเรามากำหนดรู้กายกาหนดรู้ พยายามทำอย่างนั้นมันยังมอเกิดมันไม่เป็นนะก็ไม่เป็นไรเราก็หยุดไปเหมือนหยุดมากำหนดดวงรู้นะกำหนดรู้ใจนะถ้ามันมากำหนดรู้รู้ใจแล้วปีติมันก็จะหายความอุสาหามานะมันก็ไม่มีพอจนแล้วก็ปล่อยวางรู้ใจเท่านั้นนะแต่ก็จะรู้ถ้ามารู้แต่ใจแล้วมันยังละถอนไม่ได้หรอก แต่ว่าเป็นเป็นการรู้เป็นการสร้างสติเท่านั้นที่จะให้มันละถอนปล่อยวายได้ได้นะี่ยจำเป็ต้องต้องรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงจึงละถอนปล่อยวางการเห็นกายรูปหลังกายเห็นว่ามันเห็นมันมันแสดงเป็นไอ้ฉังทักข์ข์น้นตาไปเลยเห็นการแตกการดับไปเลยมันนะ่าจริงจะละถอนปล่อยวางได้ก็มันเห็นมา ตามความเป็นจริงมันก็วางทั้งที่เรว่าวางเป็นสากายทิถฏฐินะากายทิถฐิก็คือเห็นกายเห็นขันห้าบอ่อยวางอันนี้ทางไปภาคปฏิบัติของเราก็ต้องสองอย่างภาคสมาะคือเพียรพยายามที่จะทำใจเขาใอยเข้าสู่จุดรู้อันหนึ่งรู้แล้วก็จะกำหนดรู้ เวทนาสัญญาสังขารนี่ยังกำหนดรู้กายกาหนดกายพินาศกายพินาตามสมควรแล้วเห็นว่ามันพอสมควรเราเราก็หยุดมากำหนดลงรู้อย่างเก่ามันทำอยู่อย่างนั้นให้เธอว่าไอ้รู้อยู่มีความรู้สึกอยู่นึ่งเป็นเครื่องอยู่ของเราเราจะไปปล่อยว่ารวมได้กว่ามีสติเป็นเครื่องอยู่ เมื่อเราทําอย่างนั้นก็จะเป็นทางให้เราใจของเราหนำมีสติสมัมปชะมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นภาคปฏิบัตินะเป็นภาคัดการกระทําังนั้นทุกคนตูองพากันทํ า, าทให้ถูกต้องทําถูกต้องอยังไงก็ว่าไปตามหลักแล้วถูกต้องก็ไปเราไปตั้งจิตนะว่ากำหนดลมหายใจผู้โตผู้โตก็ไปตั้งจิตดูจิตของเราจนเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความฟังวันเพื่อจะกำหนดรู้กายกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมากำหนดรู้กู้บังกายให้เห็นเป็นนี่จังรู้กาาัานั่นะถ้ากาหนดมันรู้เห็นขึ้นมามันก็ปล่อยวางได้เองมีการเจะละละปล่อยวางเทงใดก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อมันยังไม่เห็นความเป็นจริงเราก็เอาใจไปก่อน รักษาใจนะเป็นแม่หมดไปก่อนอตอนนี้ไปทุกคนก็สงบจิตต่อไปเดิ่งความรู้สึกเข้ามาสูงหนึ่งดูดองรูตัวเอง